วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2562ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน11วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกมีวัน มีชื่อเรียกวันพรุ่งนี้ว่าวันปวารณาออกพรรษามีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอยู่สองกิจกรรมด้วยกันคือหนึ่งการปรวารณาของพระภิกษุสงฆ์และสองการทำบุญตัก บ, บาตรเทโว ของสัทธาญาณโยมวันปวานานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งกำหนดหรือบัญญัติขึ้นมาให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรสาร่วมกันตลอดระยะเวลาสามเดือนได้มีโอกาส ได้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้คำว่าปวานาคือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองเนื่องจากการที่ระพติของตนเองนั้นบางทีตนเองมักจะมองไม่เคยเห็นว่าผิดถูกดีชั่วยอย่างไร แต่ผู้อื่นนั้นมักจะเห็นการกระทาของตนเองได้ชัดกว่าจึงได้มีการบัญญัติให้พระภิกษุสองมาร่วมประชุมกันในพระอุโบสถเพื่อแสดงปวารณาคือ เปิดโอกาสให้กับพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพระที่มีพรรษามากกว่าหรือพรรษาน้อยกว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ถ้าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเองพระสงทุกลูก จะมีการว่ากล่าวเปิดโอกาสให้กับพระรูปอื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนจะมีการกล่าวคำประวารณาตั้งแต่พาะเทระพราหัวหน้าลงไปจนถึงภาพสุดท้ายพาะที่มีพรรษาน้อยที่สุดจะว่าเหมือนกันหมดคือ ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดถ้าการกระทาของพระข้าพเจ้าที่ท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมไม่ควรขอได้โปรดว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่คือเรื่องของการ ที่จะช่วยเหลือดูแลการประพฤติของกันและกันเพราะโดยธรรมชาติของคนเราที่ยังมีกิเลสอยู่มักจะมองความผิดพลาดความไม่เหมาะสมของตนนี้ยากหรือแทบจะมองไม่เห็นแต่มักจะเห็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามของผู้อื่น ได้มะชัดกว่านั่นเองดังมีคำพูดว่าความผิดของตนแม้จะกองเท่าภูเขาก็จะเห็นเป็นเหมือนผงทุลีส่วนความผิดของผู้อื่นแม้จะเล็กน้อยเท่าผงทุลีก็จะเหมือนเป็นภูเขาพระพุทธเจ้าก็เลยใช้หลักการนี้ เอามาให้พระภิกษุใช้ว่ากล่าวตักเตือนกันเพราะธรรมดาเรามักจะมองไม่เห็นโทษของเราเรามักจะไม่ชอบว่ากล่าวตักเตือนตัวเราเองแต่เรามักชอบไปเห็นโทษของคนอื่นและมักจะชอบว่ากล่าวตักเตือนผู้อื่นดังนั้นจึงควรจะเปิดโอกาส ให้ผู้อื่นเขาได้ว่าเก่าตักเตือนเราเพราะเขามักใจเห็นความผิดของเราได้ง่ายกว่าเราเห็นความผิดของเรานั่นเองการที่มีผู้อื่นชี้ความผิดนั้นถือว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะว่าความผิดของเรามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษกับเราไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเรามีความผิดแล้วเรากาจัดได้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องไปพบกับพิษภัยของการกระทาผิดของเราดังนั้นเวลาที่ผู้ใดว่ากล่าวตักเตือนขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลอย่าฟังด้วยอารมณ์อย่าถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขา เขาว่ากล่าวตักเตือนเราไม่ได้หรืออย่าถือว่าเราดีเขาไม่สิทธิ์ยังไงจะมาว่าเราอันนี้เป็นการกีดขวางความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจของเราจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องกําจัดการกระทาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจเรา ให้หมดสิ้นไปนั่นเองดังนั้นถ้ามีใครเขาเห็นการกระทำของเราที่ไม่ดีไม่งามแล้วเขาว่ากล่าวตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลคือด้วยความเป็นจริงเราก็ควรที่จะขอบคุณเขาเพราะเป็นเหมือนกับการชี้คุ้มทรัพย์ให้กับเราเหมือนกับเวลาที่เราแต่งตัว เราต้องอาศัยกระจกให้สะท้อนให้เห็นตัวเราว่าตอนนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยหรือไมอ่หน้าตาเราได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ผมเราได้หวีเรียบร้อยหรือมมรไออม่ถ้าเราไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ ว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยหรือไม่หวีผมเรียบร้อยหรือไม่เราจึงมักไม่โกรธกระจกที่เรามองเรามักจะขอบใจกระจกเพราะถ้าไม่มีกระจกนี่เราจะไม่มีความมั่นใจว่าเราะสะอาดเรียบร้อยหรือไม่ บางทีขี่มูกติดอยู่ที่ปลายจมูกก็มองไม่เห็นถ้าไม่มีก็ไม่มีกระจกสะท้อนภาพให้เราเห็นดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้มองว่าคนที่เขาว่ากล่าวตักเตือนเรานั้นเป็นเหมือนกระจกสองเราให้เราเห็นตัวเราเองตามตามธรรมดาเราจะไม่สามารถเห็นหน้าตาตัวเราเองได้ ถ้าไม่มีกระจกเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อแก่ไม่แก่เนี่ยเราจะไม่รู้แต่พอมีกระจกดูปั๊บนี่จะรู้เลยว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อแก่หรือไม่แก่ถ้าไม่สวยก็ต้องรีบแต่งให้มันสวยถ้าแก่ก็ต้องรีบทำให้มันสาวให้มันหนุ่ม ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของพระที่มาบวชนี้มาเพื่อต้องการมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องการชำระการกระทาทางกายทางวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่มีกระจกส่องเงาจะมองไม่เห็นดัง น, นั้น จึงต้องมีผู้ที่คอยมาว่ากล่าวตักเตือนเป็นกระจกเงาอย่างหนึ่งและนอกจากนั้นยังต้องมีศีลหรือระเบียบบังคับข้อบังคับในการกระทำต่างๆให้ถูกต้องดีงามจึงปรากฏมีศีลถึงสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อขึ้นมา ให้พระภิกษุไว้รักษารักษาความสวยงามของจิตใจของพระภิกษุนี่เองจึงจำเป็นต้องมีศีลปรากฏขึ้นมาสองรอยี่สิบเจ็ดข้อด้วยกันความจริงศีลสอง้อยิบเจ็ดนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในระยะแรกๆที่มีการประกาศพระพุทธศาสนา ช่วงที่ช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาทรงไปสอนพวกนัก บ, บวชที่มีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วมีจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในฌานในสมาธิอยู่แล้วการกระทาของนัก บ, บวชจึงไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาแต่พอระยะเวลาผ่านไป มีผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ได้เป็นนักบวชมาขอบวชกันแล้วก็ไม่รู้ว่าการอยู่แบบนักบวชศีลของนักบวชเป็นอย่างไรรู้บ้างไม่รู้บ้างพอไม่รู้ก็ไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับตนเองและกับาศาสนาเคยทำให้าศาสนาหมวหมอง ในการประพฤติ ท, ที่ไม่สวยงามของพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็เลยทรงบัญญัติข้อห้ามต่างๆขึ้นมาตามเหตุการณ์แต่ละครั้งที่พระภิกษุไปทำอะไรไม่ดีไม่งามมีศรัทธาญาติโยมมาร้องเรียนก็ทรงพิจารณาดูความเหมาะสม หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็จะมีการบัญญัติข้อห้ามขึ้นมาเช่นข้อจำพรรษานี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่มีการจำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่มีข้อห้ามไม่ต้องอยู่กับที่ตลอดสามเดือนแต่เมื่อมีการมาบวชเป็นภาพมีจำนวนมากขึ้น จะมีการเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อหาที่สงบวิเวกปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูที่ชาวนาชาวไรท่ทำการเพาะปลูกพืชต่างๆพระภิกษุที่เดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะชอบเดินทางลัดทุ่งนากันเวลาเดินลัดทุ่งนาก็มักจะไปเหบ ทำลายพืชที่ชาวนาวชาวไร่ปลูกเอาไว้ชาวนาวชาวไร่เดือดร้อนก็เลยต้องมากาบทูลพระพุทธเจ้าให้ส่งทราบหลังจากที่ได้ทราบแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบัญญัติข้อห้ามไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาในเชียงรช่วงฤ ด, ดูฝนฤ ด, ดูเพาะปลูกต้นไม้ต่างๆ ข้อห้ามต่างๆก็เลยมีปรากฏขึ้นมาที่เราข้อสงข้อนะตอนต้นไม่มีเลยจากศูนย์จนถึงสองข้อยยี่สิบเจ็ดข้อด้วยกันนี่คือข้อห้ามต่างๆที่เราเรียกว่าศีลของพระหรือมีชื่อที่เรียกว่าปาติโมกตามธรรมเนียมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ให้พระภิกษุทุกถึงทุกเเดือนคือทุกสิบห้าวันให้ประชุมกันแล้วฟังการสวดพระปาฏิโมกข์คือศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อของพระเพื่อเป็นการทบทวนความจำไม่ให้หลงให้ลืมกฎระเบียบต่างๆที่พระภิกษุ ต, ต้องต้องรักษากัน เห็นทุกวันทุกสิบห้าวันคือวันขึ้นสิบห้าค่หรือวันแรมสิบห้าค่ำจะมีการลงโบทฟังพระปฏิโมกเช่นพรุ่งนี้ก็ขึ้นวันขึ้นสิบห้าค่ำแต่พอดีพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้เปลี่ยนจากการฟังพระปฏิโมก มาเป็นการปรวาราณาตัวดีหนึ่งจะมีการปรวาราณาตัวกันหนึ่งครั้งในวันออกพรรษาวันขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ดวันนั้นจะไม่มีการแสดงพระปฏิโมกข์ไม่มีการสวดไม่มีการฟังพระปฏิโมกข์แต่จะมีการปรวาราณาคือมีการเสนอตนเองให้กับสงที่อยู่ ในที่ประชุมว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ส่งภาวนาตนเองการภราวนาตนเองนี้เพื่อเป็นการลดมานะทิฏฐิการถือตัวการถือว่าตนเองดีตนเองเก่งคนเองถูกคนเราทุกคนสีเท้าย่อมรู้พลานย่อมป่าด่อมรู้พลัง ย่มมีโอกาสที่จะมีการกระทาอะไรที่ผิดพลาดได้ถ้าไม่มีใครคอยเตือนคอยบอกก็จะหลงตนเองแล้วก็อาจจะนำไปสู่การกระทาที่เสียหายกับตนเองและกับผู้อื่นได้เช่นเราสังเกตดูทางโลกเนี่ยพอใครได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าเนี่ไม่มีใครกล้าจะไป ว่ากล่าวตักเตือนทั้งทั้งที่เห็นว่าการกระทานี้เป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกนำไปสู่ความเสียหายได้เพราะทุกคนถ้าไปพูดเดี๋ยวก็ถูกถูกลงโทษเลยไม่มีใครกล้าก็เลยปล่อยให้ผู้นำที่ไม่ดีนำพาไปสู่ความหายนะ ประวัติศาสตร์เราศึกษาเราก็จะเห็นสงครามโลกเกิดขึ้น mm hmm. เพราะผู้นำนี้เป็นผู้หลงอำนาจในตนเอง mm hmm. ก็เลยพาไปสู่การกระทำสงครา ม, มทำให้ผู้คนตายกันเป็นล้านถ้ามีใครกล้าพูดกล้าเตือนท่าหน่อยกล้าห้ามท่านหน่อยก็จะไม่ทำให้เกิด เหตุการณ์รุนแรงต่างๆขึ้นมาได้แต่ทางโลกก็เป็นอย่างนี้ไม่มีการปวาวนาตนเองนายกไม่เคยมาภาวนาต่อประชาชนว่าถ้าข้าพเจ้านำเนินนโยบายที่เสียหายกับประเทศชาติขอให้ท่านได้มาเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิดอันนี้ไม่มี แต่ทางธรรมนี่มีนพระพุทธเจ้ายอมให้ผู้อื่นมาว่าเก่าวตักเตือนพระองค์ได้แต่ไม่มีใครไปกล้าว่าเก่าวตักเตือนพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆส่วนผู้ที่ไปว่าเก่าวตักเตือนนี้มาก จะเป็นผู้ที่ยังมีกิเลตันหาอยู่จึงไม่ยังไม่มีใครกล้าที่จะไปว่าเก่าวตักเตือนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าในฐานะของนักปราชญ์ของผู้นำที่ดีที่จะต้องทำตนเองเป็นตัวอย่างก็ต้องประกาศตนเองประวัรณนาตนเองให้แก่หมู่สงฆ์ได้ว่าเก่าวตักเตือนด้วยอันนี้เป็นการช่วยกัน ร, รักษา ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจของพระภิกษุผู้มาบวชเพราะเป้าหมายของการบวชก็เพื่อที่จะมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธินั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนจากผู้อื่นส่วนใหญ่พระภิกษุจะยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนจากผู้ที่สูงกว่าคือครูบาอาจารย์ แต่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ไม่สูงกว่านี้มักจะไม่ยอมรับคําว่ากล่าวตักเตือนพระพุทธเจ้าทรงเห็นปัญหาอันนี้ยึงทรงกำหนดวันปวารณาขึ้นมาในวันออกพรรษาให้พระภิกษุทุกรูปลดมานะทิฐิลดการถือเนื้อถือตัวถือว่าตนเองบวชมานานกว่ารูปอื่นถือว่ามีความรู้มีมากกว่ารูปอื่น ถือว่ามียศมีตำแหน่งสูงกว่ารูปอื่นไม่ให้ถือตนให้ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นถ้าเป็นการพูดที่ถูกต้องตรมความเป็นจริงถ้าเขาพูดโดยที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจเช่นถ้าเขาว่าเราเป็นควายเราดูหน้าตาเราในกระจกมันก็ยังเป็นคนอยู่ ก็แสดงว่าคนพูดเป็นเหมือนคนตาบอดบางทีคนเขาโกรธเราเขาเกียดเราเขาก็เลยมาด่าเรามาว่าเราเขาว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเขาว่าตามความรู้สึกนึกคิดของเขาก็เป็นเหมือนคนตาบอดก็ปล่อยให้เขาว่าไปอย่าไปห้ามเขาห้ามใจเราอย่าไปโกรธเขาต้องสงสารเขา ต้องคิดว่าเขาเป็นเหมือนคนตาบอดพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราเป็นอะไรเราย่อมรู้แก่ใจของเราเองเราทำถูกทำผิดเราย่อมรู้แก่ใจของเราเองเมื่อมีใครเข้ามาบอกการกระทำที่ผิดที่เราไม่รู้เราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะเป็นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์ให้เราได้ แก้ไขสิ่งที่บกพร่องในตัวเราให้หายไปเราจะได้รับประโยชน์จากการว่ากาวตักเตือนของผู้อื่นนี่คือที่มาของวันปวารณาออกพรรษาญาโยมา จ, จะเคยได้ยินแต่อา จ, จะไม่ทราบว่าเป็นวันอะไรทำอะไรกัน ก็เป็นวันที่พระภิกษุแทนที่จะมาฟังการสวดสิ้น227ข้อก็เปลี่ยนมาแสดงปวารณาตนเองตั้งแต่พระเถระหัวหน้าลงไปจนถึงพระพรรสาน้อยที่สุดทุกคนปวารณาตัวเองเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ว่าเก่าตักเตือนตนเองได้อย่างเต็มที่จะไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน คนในในครอบครัวน่าจะมีวันอย่างนี้บ้างก็ดีนะทุกคนควรที่จะมาปาวาณาตนเองให้ว่ากล่าวตักเตือนกันครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขทุกสิบห้าวันควรจะมาทบทวนกฎระเบียบของบ้านาทันทีว่าบ้านนี้ห้ามทำอะไรบ้างแล้วทุกคนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะถ้าอยู่แบบไม่มีก ฎ, ไ ม, มกฎไม่มีระเบียบ อยู่กันตามอำเภอใจมันก็ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้การอยู่ร่วมกันยิ่งจาเป็นที่จะต้องมีกฎมีระเบียบบ้านเมืองประเทศชาติอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายปล่อยให้ทุกคนทำอะไรตามอำเภอใจลองคิดดูขับรถนรถติดกันสะบ้านไปเลยเพราะทุกคนก็อยากจะไปเร็วก็จะไป กฎไปขับรถไม่ตามกฎจราจรถึงไฟแดงก็ไม่หยุดนี้ก็จงชนกันอย่างแน่ น, นอนอ่ความสำคัญของกฎระเบียบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและการได้รับการว่ากล่าวต่างเตือน ก็เป็นสิ่งที่ดีตำรวจเขาเตือนเราว่าขับรถเร็วกันไปเอาใบสั่งไปต้องขอบใจเขาไม่ใช่ไปโกรธเขาหรือไปจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเขาเราต้องยอมรับผิดว่าเราทำผิดมันทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาต่อผู้อื่นได้อันนี้ถ้าเรายอมรับการชี้ถูกชี้ผิดของผู้อื่นได้เนี่ย เราจะเป็นคนดีเพราะว่าส่วนที่ไม่ดีเราจะมีคนอื่นคอยบอกคอยเตือนเราเพราะธรรมชาติของคนเราส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีของเรามักจะเห็นแต่ส่วนที่ดีบางคนชอบบ่นไม่ทำดีแทาตายทำไมไม่ได้ดิบได้ดีก็เพราะเห็นแต่ส่วนที่ดีของตนส่วนที่ไม่ดีมองไม่เห็นที่เขาไม่ที่ไม่ได้ดิบไม่ดีเพราะเราไม่ดี แต่เรามองไม่เห็นคนอื่นเขาเห็นแล้วก็ไปโทษเขาไปว่าเขาไปโกรธเขานี่คือความสําคัญในการว่ากล่าวตักเตือนกันถ้าว่ากล่าวตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่ถูกตามความเป็นจริงก็อย่าไปถือสาคิดแต่ว่าเป็นคนตาบอดทูหนวก พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดเวลาเขารักเราเขาก็ว่าเราสวยเวลาเขาเกลียดเราเขาก็ว่าเราเป็นสุนัขไปมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความจริงทั้งสองอย่างนะเราก็ไม่ได้สวยอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ได้เป็นสุนัขอย่างที่เขาพูดแต่ทำไมเรต้องไปดีใจเสียใจกับคําพูดของเขาเพราะเราเป็นคนไม่มีเหตุมีผลเหมือนเขานั่นเอง เราเป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบคำสรรเสริญเยินยอไม่ชอบคำดำหนิติเตียนนั่นเองเราจรึงไม่ค่อยได้ดิบได้ดีกันนะเพราะเราอยู่บนโลกของความความปลอมกัความไม่จริงไม่สวยก็คิดว่าสวยเวลาตัวเองไม่เวลาไม่ไม่ผิดก็ไปโกรเขาเวลาที่เขามาว่าเราผิดนะ ก็เมื่อเราไม่ผิดเขาจะว่าเราไงก็มันก็ไม่ผิดอยู่ดีนะไม่เห็นจําเป็นที่ต้องไปโกรธเขาไปทะเลาะวิวาทกับเขาก็ปล่อยเขาพูดไปนี่คือเรื่องของวันปวานาออกพรรษาวันที่มีกิจกรรมที่พระพุทธเจ้าให้พระภิกษุทุกรูปมาปวานาตนเองแทนที่จะฟังศีลสองรอยยี่บเจ็ดข้อ ฟังการสวดสี้นสองอยี่สิบเจ็ดข้อซึ่งก็เป็นซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพียงแต่ว่าทรงเห็นว่าการภราวนาก็สำคัญก็หลายปีหนึ่งให้มีวันภาวนาขึ้นสักหนึ่งวันหนึ่งครั้งส่วนวันขึ้นสิบห้าคแลมสิบห้าควันอื่นก็ให้มีการสวดพระปฏิโมกมีการฟังสสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเพราะถ้าไม่ฟังเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมว่า ห้ามทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ไม่ควรเราก็จะทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธาของผู้ที่เขาคารมนับถือพระศาสนานี้จะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่ศีลของพระพระเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นผู้ที่จะนำพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้บรรลุถึงผลอันประเสริฐคือมรรคผลผนิพพานการจะบรรลุได้การจะปฏิบัติได้ก็ต้องเริ่มต้นที่บันไดขั้นแรกของพระบันไดขั้นแรกของพระก็คือศีลเมื่อมีศีลแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติสมาธิได้เมื่อปฏิบัติสมาธิได้ก็จะไปสู่การเจริญปัญญาได้เมื่อไปสู่ เมื่อไปได้ปัญญาก็สามารถก้าวมาทําลายกิเลสตัณหาเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้การปฏิบัติทางาศาสนานี้เป็นการเดินขึ้นบันไดจึงจําเป็นที่จะต้องอมีขั้นบันไดที่แข็งแรงศีลก็ต้องบริสุทธิ์ถึงจะแข็งแรงเมื่อศีลบริสุทธิ์ ก็จะทำให้จิตใจนี่ะสะอาดนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ง่ายจิตสงบใจสงบก็จะทำให้เห็นความจริงเห็นธรรมต่างๆเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยรสัจ ส, สี่เกิดปัญญาขึ้นมาที่จะเอาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆๆอันนี้ มันต้องมีศีลก่อนพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรักษาศีลของพระด้วยการให้ลงฟังสวดพระปฏิโมกขุกสิบห้าวันวันขึ้นสิบห้าคำวันแรมสิบห้าคำแล้วก็วันปวานาก็สำคัญให้มีการว่าก่าวตักเตือนกันได้นี่คือ กิจกรรมอันหนึ่งที่เกิดในวันออกพรรษากิจกรรมอีกอย่างนึงอีกอันหนึ่งก็คือการทำบุญตักบาตรเทโวของศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์หลังจากที่ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาอยู่สามเดือนด้วยกันในช่วงพรรษาที่เจ็ดของการประกาศพระพุทธศาสนา หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็สแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกตั้งแต่วันอาสาลาบูชาวันเพ็ญเดือนแปดเป็นปีแรกปีที่เจ็ดนี้ทรงไปสแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวหนึ่ง พอออกพรรษาก็เสด็จนองกลับมาสู่โลกญาติโยมที่รอรับเสด็จก็ทำบุญตักบาตรถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมมีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากในวันนั้นนี่คือที่มาของการตักบาตรเทโววันขึ้นสิบห้าค่ หรือวันแรมหนึ่งค่ำแล้วแต่บางวัดก็ตักสิบห้าค่ำบางวัดก็ตักแรมหนึ่งค่ำแต่การเสด็จขึ้นหรือลงของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ขึ้นไปทางพระวรากายร่างกายของพุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายของพวกเราเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้สมัยนี้พวกเราก็สามารถ สแสดงทำติดต่อคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องไปพบกันที่หน้าที่สถานที่เดียวกันอยู่พัทยาจะไปคุยกับเพื่อนที่กรุงเทพก็คุยได้เพราะเรามีเครื่องมือคือมีโทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อกันได้สมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินไม่ได้เดินทางไปสวรรค์ด้วยร่างกาย ท่านมีเครื่องมือคือมีพลังจิตพลังจิตที่ได้ทรงสร้างขึ้นในขณะที่ปฏิบัติสมาธิผู้ใดปฏิบัติสมาธิได้จะสามารถมีพลังจิตติดต่อกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ผู้ที่ไปผู้ที่ไปเป็นดวงวิญญาณอยู่ใน อ, อยู่ในภพต่างๆ พุทธมารดานี้ก็ไปเป็นดวงวิญญาณอยู่ในสวรรค์นะพอพระพุทธเจ้าทรงใช้พลังจิตค้นหาดูก็ทรงค้นพบก็เลยได้ทรงติดต่อกันด้วยพลังจิตทรงกระแสจิตไปทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดานในบรรษานั้นตลอดระยะเวลาสามเดือนจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระ โสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขั้นที่เรียกว่าผู้ที่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานพอได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วการจะเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่นี้มันก็จะเป็นไปโดยอัตตโนมัติคือจะไม่หลงทางจะไม่ออกจากทางไปสู่พระนิพพานจะไม่ไปทางอื่น ถึงแม้จะไม่มีใครมาสั่งมาสอนต่อก็สามารถเดินไปเองได้เดินทางไปสู่พระนิพพานได้พอได้เป็นพระโสดาบันนละ้เดี๋ยวปฏิบัติต่อไปก็จะได้ขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ตามลำดับจนในที่สุดก็จะถึงพระนิพพานได้แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ย ต้องมีคนคอยสอนคอยบอกต้องมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสารกคอยสอนคอยบอกถ้าไม่มีใครสอนคอยบอกจะไม่รู้จักทางยังจะยังไม่พบทางแต่พอได้พบทางแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องมีคนบอกทางสามารถเดินต่อไปได้ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเดินไปตามทางนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือการหลุด พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบแทนบุญคุณของพุทธมารดาด้วยการสอนให้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จะไม่ไปทางอบายแล้วจะไม่มีการไปเกิดในอบายอีกต่อไปจะไปแต่ทางของพระอริยบุคคลไปทางของมรรคผลผนิพพาน นี่คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในปีที่เจ็ดของการแสดงทำโปรดสัตว์นได้ทรงโปรดพุทธมารดาและเทวดารูปอื่นด้วยตลอดระยะเวลาหนึ่งพันปีความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทำโปรดเทวดาทุกขคืนอยู่แล้วนแต่ในปีนั้นอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่มุ่งไปสู่พุทธมารดาเป็นหลัก ตามปกตินี้พระพุทธเจ้าจะมีกิจภารกิจประจําวันอยู่ห้าข้อด้วยกันที่ทรงกระทำอย่างต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันที่ไม่สบายก็คือหนึ่งตอนบ่ายจะทรงแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมในยามค่ำก็แสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณีในยามดึกก็จะแสดงธรรมให้กับเทวดา ในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตก็ท่งเลงยานดูว่าจะไปแสดงทำให้กับใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นพอได้เล่งยานทราบแล้วว่าจะไปโปรดใครก็ส่งเสด็จออกบินธบาติหลังจากฉันเสร็จแล้วก็ทรงไปโปรดผู้ที่ควรจะไปโปรดในวันนั้นนี่เรียกว่าภารกิจประจาวันของพระพุทธเจ้า มีอยู่ห้าข้อเรียกว่าพุทธกิจห้าเป็นการโปรดสัตว์เป็นการแสดงธรรมหรือเป็นการบิทฑบาดโปรดสัตว์นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากใครเลยหลังจากที่ได้สงตัดสรโแล้วมีแต่หวังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด การแสดงธรรมก็เป็นการบอกทางให้ผู้ที่หลงทางให้รู้จักทางที่จะได้เล่นลอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการบินทบาทก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางออกสู่การเวียนว่ายตายเกิดได้เริ่มออกจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทําบุญทําทานนี้เองการทําบุญทําทานนี้เป็น การกระทำขั้นที่หนึ่งขั้นก่อนขั้นศีลก่อนที่จะรักษาศีลได้นี้ต้องทำบุญทำทานให้ได้ก่อนเพราะคนที่ทำบุญทำทานได้ก็จะเป็นคนใจบุญจะเป็นคนไม่ใจบาปก็จะไม่ชอบทำบาปต่อไปพอทำบุญแล้วเห็นผลประโยชน์ของการทำบุญว่านาความสุขใจอิ่มใจมาให้ แล้เปรียบเทียบกับการทำบาปก็เห็นว่าเป็นการนำความทุกข์ความร้อนใจมาให้ก็จะไม่อยากจะทำบาปต่อไปเมื่อไม่อยากจะทำบาปก็จะรักษาศีลได้เพราะการรักษาศีลก็คือการละเว้นจากการทำบาปนั่นเองอันนี้เป็นการโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง ด้วยการบิณฑบาตให้ผู้ที่ไม่ชอบทำบุญหรือไม่มีโอกาสทำบุญได้มีโอกาสได้ทำบุญเพราะมีพระพุทธเจ้ามาโปรดถึงหน้าบ้า น, นการบิณฑบาตนี้ญาติโยมไม่ต้องเดินทางมาถึงวัดทำให้การทำบุญง่ายอยากจะทำบุญเพียงแต่ออกมาที่หน้าบ้านพอพระเดินผ่านมาก็มีอะไรก็แบ่งให้ ไม่ต้องทำอะไรเป็นกรณีพิเศษเรากินอะไรเราก็แบ่งไว้ชามหนึ่งไว้ใส่บาทก็ได้เท่านั้นก็พอก็ได้มีโอกาสทำบุญเมื่อได้ทาบุญอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นคนใจบุญขึ้นมาแล้วการเป็นคนใจบาทก็จะหายไปก็ทำให้รักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลได้ก็พร้อมที่จะไปฝึกสมาธิต่อไปได้ ไปฝึกสมาธิได้ก็จะสามารถไปศึกษาความจริงของชีวิตได้ว่าความสุขความทุกข์ของเรามาจากอะไรอะไรทําให้เราสุขอะไรทําให้เราทุกข์ก็จะเห็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เห็นเหตุที่ทำให้เราสุขเราก็มาสร้างเหตุที่ทำให้เราสุขกันแล้วก็มากําจัดเหตุที่ทำให้เราทุกข์กัน ต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจของเราอย่างเต็มเต็มที่นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าในวันปาวนาออกพรรษาในวันทุกนี้ทางวัดก็จะมีการจัดพิธีตักบาตรเทโวเริ่มตั้งแต่ประมาณเวลาหกโมงครึง่ง ที่บริเวณเชิงบันไดพระมนต์ดบก็จะพระก็จะเดินลงจากพระมนต์ดบลงมาตามบันไดสองร้อยขั้นญาญโยมก็จะรอเริ่มต้นตั้งแถวอยู่ที่เชิงบันไดพระก็จะเริ่มรับบิณฑบาตของศรัทธาญาิโยมเดินจากมนต์ดบไปสู่ศาลาหอฉัน ซึ่งยังมีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรเวลาเดินนี้กาจจะชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่ใส่บาทว่ามีมากมีน้อยญาตโยมมาทีหลังก็สามารถรอเข้าแถวได้รอดักใส่ได้ตามระยะทางที่พระเดินกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องมารอที่เชิงบันไดกันทั้งหมดมเพราะว่าพอถึงเวลาเขาจะปิดกั้นไม่ให้รถเข้าผู้ที่อยากจะไปรอที่เชิงบันไดมักจะไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งหกโงนี้เขาจะไปไปกันก่อนนะอแต่พวกที่มาสายก็ไปรอดักที่หน้าศาลาก็ได้หรือตามทางที่พระเดินบิณฑบาตก็ได้ วันนั้นพระภิกษุที่เคยไปบิณฑบาตในหมู่บ้านต่างๆก็จะงดการบิณฑบาตทังวัดยา น, นี้มีการไปบิณฑบาตอยู่ห้าสายด้วยกันสี่ห้าสายสายบ้านอำเภอสายชาละแงวสายบางสเลสายสัตหีบแล้วสายกิโลสิบเนี่ยก็จะวันนั้นก็จะไม่มีการออกไปบิณฑบาต ซึ่งาาศรัทธายาโยมที่อยู่ตามหมู่บ้านเขาจะรู้กันแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านก็อาจจะไม่ทราบก็อาจจะไปรอก็ก็เลยต้องมีการประกาศให้ทราบไว้สำหรับผู้ที่จะไปใส่บาทเช่นที่บ้านอาเภอก็วัดพวกมันพวกนี้ก็จะไม่มีพระวัดยานไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านอาเภอ แต่คงจะมีพระวัดอื่นเพราะพระวัดเื่นเขายังไม่ตักบาตรเทโววัดเื่นเขาจะตักวันในวันถัดไปคือวันแรมหนึ่งค่ำก็ยังมีพระบิณฑบาตให้สายบาตได้อยู่นี่คือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการให้ศรัทธาญาติโยมได้ ศึกษาได้เรียนรู้จะได้เป็นผู้ที่มีอความรู้เวลาชาวต่างชาติเขาถามว่าทําอะไรกันเอะจะได้บอกเขาได้บางทีก็ไม่รู้เองเขาไม่รู้ว่าให้วันตักวันตักบาตรเทวมีความเป็นไปมาอย่างไรก็ไม่รู้กันบางทีต่างชาติเกากลับรู้ดีกว่าเรา เพราะต่างชาตินี้ก็เป็นคนที่สนใจศึกษาจริงจริงจังๆเวลาเขาอยากจะรู้อะไรเขาพยายามค้นหาข้อมูลต่างๆบางทีเขารู้ดีกว่าเราชาวพุทธเสียอีกที่เราไม่ค่อยที่จะ เ, เห็นคุณค่าของศาสนาเราทำตามประเพณีกันมา ถึกษนให้ทำอะไรก็ทำตามกันรู้เพียงคำเดียวว่าบุญเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าบุญนี้เป็นอย่างไรคืออะไรพอใครถามว่าทำอะไรทำบุญถามว่าบุญคืออะไรไม่รู้เหมือนกันรู้แต่เชื่อเพราะว่าถูกสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กปู่ย่าตายายบิดามารดาก็สอนให้ทำบุญสอนให้ละบาป แต่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดอย่างแท้จริงเลยไม่รู้ว่าการทำบุญนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างการทำบาปนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างได้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงซึ่งการทำบุญนี้เขาก็บอกว่าได้ไปสวรรค์สวรรค์เราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ว่าสมัยนี้ยิ่งเป็นคนศิลปวิทยาศาสตร์คนเขาเมื่อก่อนคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าดี่างนี้เขาส่งจรวดขึ้นไปสํารวจก็ไม่มีสวรรค์ให้เจอบางคนคิดว่าลโลกอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บาดาลก็ส่งเรือดำน้ําลงไปใช้เครื่องเจาะอะไรขุดลงไปในดินก็ไม่เจออะไรเจอแต่น้ํามัน ก็เลยทำให้อาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ได้ถ้าไม่มาศึกษาความเป็นจริงของบุญของบาปของนรกของสวรรค์ว่าเป็นยังไงความเป็นจริงของบุญของบาปก็คือการกระทำของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ไม่ใช่ร่างกายของพวกเรา ร่างกายกับจิตใจของเรานี้เป็นคนละส่วนกันจิตใจเป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะได้ร่างกายนี้จิตใจของเราเป็นดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ในโลกทิพยนะ์ดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่ได้ทำไว้นั่นเอง ดวงวิ ญ, ญญาณที่ได้ทำบุญไว้ก็จะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่มีความสุขเราก็เรียกพวกดวงวิญ ญ, ญาณนี้ว่าเทวดาอยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้ไม่ใช่โลกของร่างกายคนคนละโลกกันแต่โลกทิพย์นี้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายเราจะเห็นโลกทิพย์ได้ต้องเห็นด้วยตาของใจตาของดวงวิญ ญ, ญาณ ดวงวิญญาณก็มีตา ม, มีหูมีจมูกมีลิ้นสามารถสัมผัสกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์สามารถสัมผัก ส, ก, ส, าาสผกับโลกทิพย์ได้แต่ต้องเปิดตาในตาของดวงวิญญาณถึงจะเห็นได้ผู้ที่จะเปิดตาในได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิได้ผู้ที่ฝึกสมาธินี้จะสามารถมองเห็นโลกทิพย์ได้สามารถแยกร่างกายกับ ใจออกจากกันได้ว่าเป็นคนละส่วนกันในช่วงที่ไม่มีร่างกายจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่ก็จะเป็นดวงวิญญาณถ้ามีได้ทําบุญมาก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขถ้าทําบาปมาก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เนี่ยดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ก็เรียกว่าอยู่ในอบายอยู่ในนรก ดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าอยู่ในสวรรค์นแล้วพอได้ร่างกายก็จะมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้เหล่านี้คือผู้รู้ผู้คิดผู้ทําบุญผู้ทําบาปแล้วเป็นผู้รับผลบุญผลบาปในขณะที่ทํานำทำปุ๊บก็รับผลทันทีพอเรา ทำบาปปั๊บใจเราก็ร้อนใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทำบุญปั๊บใจของเราก็เย็นใจของเราก็สุขใจของเราก็สบายขึ้นมาทันทีนี่แหละคือผู้ที่ทำบุญผู้ที่ทำบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาป เวลาร่างกายตายไปเราก็เห็นกันอยู่ว่ากายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปถ้าเรามองที่ร่างกายเราก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนาลกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามามองที่จิตมองที่ดวงวิญญาณเราก็จะเราก็จะเชื่อได้ แต่การที่เราจะมองเห็นจิตจริงๆนี้เห็นดวงวิญญาณเราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันมาหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบนี้เราจะแยกใจออกจากร่างกายแยกดวงวิญญาณออกจากร่างกายชั่วข้าวะตอนนั้นเราก็จะอยู่กับดวงวิญญาณตามนําพังร่างกายเราจะไม่รับรู้ ไม่เหมือนตอนที่เราออกจากสมาธินี้เราจะรับรู้เรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจ จ, จิตใจเราทุกเราก็รับรู้ร่างกายเราทุกเราก็รับรู้จิตร่างกายสุขเราก็รับรู้จิตใจทุกจิตใจสุขเราก็รับรู้แต่เวลาเข้าสมาธินี้ร่างกายจะทุกหรือจะสุขนี้ จิตใจยังไม่รับรู้ในช่วงนั้นก็จะรู้ว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนฝาแฝดมาเกาะติดกันตอนที่มาปฏิสนธิในท้องแม่เวลาแม่สร้างสร้างร่างกายขึ้นมาดวงวิ ญ, ญญาณที่เล่ล่อนอยู่ที่กำลังหาร่างกายอยู่ก็จะมาเกาะติดกับร่างกายอันนั้นก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นคนเดียวกัน ถ้าไม่มีใครบอกก็จะคิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนเดียวกันเพราะว่าจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คือจิตใจนี่คือร่างกายก็จะไปคิดกันทุกคนว่าเราเป็นร่างกายกันจิตใจก็จะไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วก็เลยต้องไปทุกข์กับความทุกข์ของร่างกาย ซึ่งถ้ารู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกายนี้จิตใจนี้จะสบายกว่าเยอะจะไม่ต้องมาทุกข์มาเดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเหมือนกับที่เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของคนอื่นคนอื่นเขาเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราทุกข์กับเขาปะ เราเฉยๆเราก็รับรู้ไปฟังข่าวไปว่าน้าท่วมที่นั่นน้าท่วมที่นี่คนตายที่นั่นที่นี่เราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขานะแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นเขานี่เราเดือดร้อนขึ้นมาทันทีถ้าไปคิดว่าบ้านที่น้ำท่วมนี้เป็นบ้านของเราเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพออะไรเป็นของเราขึ้นมาเราไปเดือดร้อนทันทีแต่เรา เหมือนกับร่างกายที่เรามีอยู่นี้เราเดือดร้อนกับร่างกายตั้งแต่เกิดมาเลยก็เพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราเนี่ยเราเลยทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความทุกข์ยากลาบากของร่างกายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมแล้วได้แยกรู้จักวิธีแยกร่างกายกับจิตใจออกจากกัน จนเห็นชัดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายทุกข์ยากลําบากจิตใจไม่ได้ทุกข์ยากลําบากไปด้วยร่างกายแก่เจ็บตายจิตใจก็ไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกาย เป็นเหมือนเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่เราไม่เดือดร้อนไม่อดอยากขาดแคลนไปกับร่างกายเรามีอาหารของเราเองอาหารของใจกับอาหารของร่างกายนี้ต่างกันอาหารของร่างกายก็คือสิ่งที่เรารับประทานกันเข้าไปในปากแต่อาหารของใจนี้ก็คือบุญชนิดต่างๆนี่เ ที่เรามาทำบุญกันนี้ก็เพื่อมาหาอาหารให้กับใจของเราถ้าใจเรามีบุญมีความสุขแล้วถึงแม้ร่างกายจะทุกข์ยากเดือดร้อนอดอยากขาดแคลนมันก็ทุกข์ที่ร่างกายเท่านั้นมันไม่ได้ทำให้ใจของเราทุกข์ไปด้วยอ่นี่คือสิ่งที่พวกเราที่เป็นชาวพุทธถ้าอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะจะต้องมาศึกษากัน ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์กับเรามากมันจะช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงของเราให้หมดไปแล้วจะสร้างทำให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลา ไม่ต้องไปกังวลกับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของร่างกายไม่ต้องไปกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนเห็นชัดเจนแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วก็รู้จักวิธีดูแลจิตใจให้มีความสุขตลอดเวลาจิตใจก็จะไม่เดือดร้อนกับ ภัยต่างๆของร่างกายทุกต่างๆของร่างกายแต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งร่างกายเราถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็ยังเลี้ยงดูมันต่อไปแต่เราไม่ได้เลี้ยงแบบคิดว่าเป็นเราล่ะเลี้ยงเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งเลี้ยงเหมือนเลี้ยงคนอีกคนหนึ่งเลี้ยงคนรับใช้เนี่ยร่างกายเหล่านี้เป็นเหมือนคนรับใช้เราเราจะไม่เลี้ยงมันเหมือนกับเป็นเจ้านายเรา ตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นมันเราก็เลยเลี้ยงมันแบบเป็นเจ้านายเราให้มันบริการทุกอย่างให้ดีที่สุดหาเงินมาแ้าเป็นแาบตายก็เพื่อมาเลี้ยงร่างกายนี้ซื้อบ้านราคาแพงแพงซื้อรถราคาแพงแพงซื้อเสื้อผ้าราคาแพงแพงมาให้ร่างกายมันใสใจเลยเป็นคนรับใช้ร่างกายไปโดยไม่รู้สึกตัวส่วนใจเองนี่อยู่แบบขอทานอยู่แบบคนรับใช้ พราอไม่ค่อยหาอะไรมาให้กับจิตใจมัวแต่หาให้กับร่างกายร่างกายเลยอยู่สุขสบายแต่ใจนี้วุ่นวายไปกับทุกเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะว่าเรามัวแต่ไปรับใช้ร่างกายคอยดูแลร่างกายไม่ได้มาดูแลตัวเราคือใจ นี่พอเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราถึงยะเลีรู้ว่าเนี่ยเรากําลังไปเลี้ยงคนผิดไปเลี้ยงคนอื่นทํำไมไม่มาเลี้ยงตัวเร า, เ, าเราต้องมาเลี้ยงตัวเราด้วยการทําบุญบุญที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําก็มีตั้งแต่ทําทานารักษาศีลภาวน า, านั่งสมาธิทําใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญา ถ้าเราเอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับใจต่อไปใจเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแบบที่เราเคยเลี้ยงดูร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องของร่างกายเพราะเราเปลี่ยนเป้าหมายของการดูแลจากการดูแลร่างกายมาดูแลจิตใจดูแลจิตใจอย่างดีเยี่ยม ส่วนน่างกายก็ดูแลแบบคนรับใช้ไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้จะตายก็ตายไปเหมือนคนชับใช้เราก็ให้ให้เงินเดือนเขาตามที่เราเห็นสมควรเขาอยากจะได้มากกว่านั้นถ้าเราไม่เห็นสมควรเราก็ไม่ให้เขาแต่เขาไม่อยากจะอยู่อยากจะลาออกก็ปล่อยเขาไปใช่ไหมแต่เหมือนกันต่อไปถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราก็จะเลี้ยงมันแบบ ง่ายๆเลี้ยงมันแบบถูกๆเรื่องอะไรไปเสียเงินเยอะแยะเลี้ยงคนรับใช้ถ้าก็ไม่พอใจอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องอาศัยเขาก็ได้ถ้าเรามีบุญถ้าเราทำบุญได้รักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายมาคอยรับใช้เราเพราะบุญนี่แหละจะเป็นผู้มารับใช้เราแทนร่างกายบุญนี่หละที่จะหาความสุขมาให้กับพวกเรา แทนที่จะให้ร่างกายเป็นผู้ไปหาความสุขมาเราก็จะไม่ต้องมาคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายอย่างสุดๆเหมือนที่เรากําลังทํากันอยู่ในตอนนี้เราก็จะเลี้ยงมันแบบพระพุทธเจ้าเลี้ยงร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กินวันละมื้อก็พออาหารก็ไม่เลือกไม่จู้จีจ้จุกจิกไปบินาบาตได้อะไรมาก็ก็กินไป ที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามมีตามเกิดมีกุติอยู่ก็อยู่ไม่มีกุติก็อยู่คนไม้ไม่มีคนไม้ก็อยู่ตามถ้าตามเงื้อมผาไปพอหลบแดดหลบฝนได้ไม่ให้มันเจ็บไายได้ป่วยก็พอไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างคาลหารสร้างคอนโดใหญ่โตมาโหหลานมาให้คนรับใช้อยู่ใช่ไหมส่วนเจ้าของกลับไปอยู่แบบคนรับใช้ถ้าไม่ได้ มาทํถ้าไม่ได้ทำบุญก็เป็นเหมือนการเลี้ยงเหมือนกับเลีเ้ยงคนรับใช้นะพอให้อยู่ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่มีความสุขถ้าอยากให้เรามีความสุขเราต้องมาทำบุญกันทำบุญด้วยการทำทานทำบุญด้วยการนักษาศีลทำบุญด้วยการภาวนาถ้าเราทำบุญเหล่านี้ได้แล้ว ต่อไปเราจะมีเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเราก็ไม่ต้องไปคอยกังวลคอยดูแลมันแบบสุดๆเนี่ยดูแลมันไปตามตามสภาพดูแลได้ก็ดูแลไปอยู่ได้ก็อยู่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินตายถ้าจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะในที่สุดมันก็ต้องตายห้ามมันไม่ได้ แต่ใจเราจะไม่มาเดือดร้อนไม่มาวุ่นวายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้เพราะในตอนนี้พวกเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยู่เรายังไม่มีบุญพอที่จะให้ความสุขกับเราโดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเราก็เลยยังมาคอยกังวลมาคอยวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปความเป็นความตายของร่างกายอยู่ แต่ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาให้กับการทาบุญโดยการทำบุญทำทานอย่างเต็มร้อยรักษาศีลได้อย่างเต็มร้อยภาวนาอย่างเต็มร้อยได้ต่อไปเราก็จะมีบุญที่จะมาทำหน้าที่แทนร่างกายของเราได้เราก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะมีหรือไม่มีร่างกายจะเป็นหรือจะตายร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บ ก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญเมื่อก่อนก็ทรงอาศัยร่างกายตอนที่อยู่ในวังแต่พอรู้ว่าต่อไปร่างกายมันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาห า, หาวิธีอื่นมาให้ความสุขก็เลยส่งค้นพบวิธีด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาพอได้ทําทานได้รักษาศีลได้ ภาวนาจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็มีเครื่องมือหาความสุขให้กับใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ừ, ก็เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อน ừ, อยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไป นี่แหละคือเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของบุญของบาป ท, ที่พวกเรามาศึกษากันมาศึกษาแล้วก็แห้นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้แล้วเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกุกเราจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับร่างกายไม่ต้องทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรามีบุญเป็นผู้ที่ให้ความสุขกับเรา เราก็เลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาทุกข์กันอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงน่าาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้เป็นคติเตือนใจสอนใจเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติที่ถูกที่ดีที่งามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนาราโสยะธามณีโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวัชฌันโตสัพพโรโวินัสตุมาเตภวะตุมันตะราโยสุขีทีคาโยโกภวะ าพิวาทนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาัาลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคําถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วอยากจะของดถามถ้าใครไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่ f a c e b o สสี่สิหก YouTube อยหกสิบเอดวิทยุออนไลน์สิบสี่รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยห้าสิบห้ารวมเจ็ร้อยเ็ดสิบหค่ะ เชิญถามได้เลยคำถามแรกจากคุณชัยพลคาถาต่างๆที่มีพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายบอกกล่าวเอาไว้สามารถช่วยเราได้จริงๆหรือครับเช่นคาถาเงินล้านที่บอกว่าให้สวดทุกวันจะสามารถทำให้ร่ารวยไม่ทราบว่าจริงไหมครับรวยทำไงไม่ใช่รวยเงินคาถาต่างๆ เป็นอุบายหลอกให้พวกเรามาสวดมนต์มาทําใจให้สงบกันพอใจสงบแล้วจะได้ความสุขที่มากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านจะให้กับเราได้ก็รวยความสุขระดับร้อยล้านแต่ไม่ได้รวยเงินร้อยล้านดีกว่าเงินร้อยล้านความสุขที่ได้จากความสงบเหนือกว่าความสุขทั้งปวงคําถามจากคุณดอกไม้สีม่วงค่ะ คำถามแรกการกรวดน้ำถ้าเราเอ่ยชื่อผู้รับไม่หมดผู้รับบุญมีจำนวนมากเจ้าค่ะเราควรใช้คำว่าอะไรดีเจ้าคะถึงจะให้ได้รับบุญทั่วถึงทั้งหมดค่ะก็เขียนชื่อแล้วก็อ่านไปเลยไม่ต้องมาทำตอนที่พระ ส, สวดเข้าใจไหมการอุทิศบุญนี่เราอุทิศบุญตามลาพังได้ไม่ต้องรอจังหวะพระ ส, สวดเทน้าอะไรทานองนี้มันคนละเรื่องกัน การอุทิศบุญนี้เราอยู่คนเดียวทำบุญเสร็จเราก็ไปนั่งที่ไหนเงียบๆแล้วก็นั่งอ่านรายการที่บุคคลที่เราต้องการจะอุทิศก็ได้ไม่ต้องมาแข่งเวลาพระสวยดยถาก็โอ้ยมันคนละเรื่องกันนะมันไม่เกี่ยวกันพระไม่ได้เป็นคนส่งบุญให้หรอกบุญของเรานี่มันไปโดยอัตโนมัติด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราพอเราคิดถึงคนตายมันก็ไปถึงแล้ว คิดถึงกรุงเทพใจมันถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยแต่ร่างกายยังอยู่ที่นี่อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องแข่งเวลากับพระนะอันนั้นเขาเขาเป็นการกระทที่อธิบายให้เรารู้จักว่าเวลาพระสวดนี้ท่านสวดอะไรท่านสวดบอกว่า บุญที่เราทํานี้เราสามารถอุทิศให้กับผู้ร้องรับไปแล้วได้เนี่ยความหมายอยู่ตรงนั้นเวลาที่พระเริ่มสวดญาตาเนี่ยตอนต้นจะพระจะพูดลูกเดียวช่วงญาฐานนี่เขาเรียกว่าญถ า, าให้ผีสับพีให้คนพอเวลาญถ า, าเสร็จพอพระร่วมสวดร่วมกันร่วมสวดสัพผีนี่เป็นช่วงที่พระให้พรญาติโยมที่มาทําบุญ งั้มัไม่เกี่ยวกับการอุทิศของเราเราอุทิศได้เวลาที่เราสะดวกเวลาที่พระท่านสวดนี้เป็นเหมือนการแสดงธรรมเพียงแต่ว่าท่านไปแสดงภาษาบาลีเราฟังไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่าเป็นกาถาอาคมอะไรแต่ความจริงเป็นเพียงการบอกเล่าให้ฟังว่าบุญที่เราทําในวันนี้เราสามารถแบ่งให้คนที่ตายไปได้เอ อ, เ อ, อท่านั้นเองความหมายของการสวยดยถา ส่วนสัพพีก็เป็นการบอกอนิสงส์ของการทำบุญที่เราจะได้รับพึงจะได้รับเพื่อจะทำให้จิตใจเราจเจริญ น, นุ่งเหลืองเป็นเลื่อนเลื่อนพบเลื่อนชั้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมตามลำดับต่อไปอันนี้เป็นการแสดงธรรมด้วยการสวะ แต่เราฟังไม่รู้เรื่องอะไรคิดว่าเป็นสูตรของการอุทิศบุญมันไม่ใช่การอุทิศบุญนี้เราไม่ต้องมีผ้าสวดไม่ต้องมีน้ำํำขอให้มีบุญนะถ้าไม่มีบุญก็อุทิศไม่ได้เช่นอยากจะอุทิศบุญแต่ยังไม่ได้ทําบุญก็ไม่มีบุญบุญจะอุทิศให้ฉั้นต้องทําบุญก่อนทําบุญเสร็จแล้วก็ อุทิศได้เลยใส่บาศเสร็จจะอุทิศตอนนั้นในใจก็ระลึกไปเลยก็ได้ถ้าชื่อยาวจําไม่ได้ก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็อ่านไป <c oughs> นะก็จะถึงผู้ที่รอรับอยู่คําถามที่สองจากคุณดอกไม้สีม่วงค่ะถ้าเราถนัดการสวดมนต์ไหว้พระแต่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยจะได้ไหมคะได้แต่ต่อไปก็ควรจะหัดนั่งสมาธิต่อ เพราการสวดมนต์ไว้พระก็เป็นเหมือนอนุบาลไงชั้นอนุบาลพอเราเรียนจบอนุบาลแล้วเราก็ควรจะเข้าชั้นปฐมต่อไปสวดมนต์เสร็จก็ลองนั่งสักห้านาทีดูก็ได้นาทีหนึ่งก็ได้กออย่างน้อยขอยมีการทดลองนั่งไปแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากตอนต้นอาจจะยากถ้าเราไม่ได้สวดมนต์เพราะใจเราฟุ้งมากคิดมากพอมานั่งนี้มันไม่ยอมอยู่กับการนั่งเฉยๆมันอึดอัดขึ้นมา แต่ถ้าเรานั่งสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งใจมันจะไม่ฟุ้งใจมันจะเย็นลงแล้วพอให้เรานะพอให้มันนั่งดูลมหรือนั่งพุทโธมันก็จะนั่นได้เนี่ยยั้นงคนจะทําต่อหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็ควรที่จะลองนั่งสมาธิต่อไปไม่ต้องกําหนดเวลากําหนดสติให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือมีสติอยู่กับคําบริกรรมพุทโธ อย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าได้นะหรือนั่งไม่ได้เพราะนั่งแล้วเดี๋ยวเกิดเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้ก็จะทนไม่ไหวแต่ถ้านั่งด้วยการมีสติจะไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บตรงนั้นบ้างอึดอัดตรงนี้บ้างเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเดี๋ยวมันก็หายไปเอง อย่ต้องนั่งด้วยพุโทโธแล้วนั่งด้วยการดูลมหายใจอันนี้ข้อสำคัญของการนั่งสมาธิอย่านั่งดูจิตเฉยๆดูจิตแล้วเดี๋ยวจิตมันหลอกเราจิตมันจะแผลงฤิจะสร้างภาพสร้างอะไรมาหลอกเราทำให้เราหลงทำให้เรากลัวได้ คำถามที่สามจากคุณดอกไม้สีม่วงค่คะการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกให้ประชาชนจะช่วยตัดกรรมที่เราทำไว้ได้ไหมเจ้าคะแต่ว่าหนังสือสวดมนต์ที่เห็นวางไว้ตามวัดต่างๆมากมายไม่ค่อยจะมีคนหยิบไปเลยเจ้าคะการทำบุญไม่ได้เป็นการตัดกรรมเป็นการบุญนี่เป็นการต้านกรรมได้เพราะว่าบุญกับบาปนี้จะเป็นคู่ต่อสู้กัน ช่วงเวลาที่เราตายนี้บุญกับบาปจะมาแย่งดวงวิญญาณของเราถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงดวงวิญญาณเราไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญปุ๊บบาปมันก็จะดึงดวงวิญญาณของเราไปอาบายแต่เราไม่สามารถลบล้างกรรมหรือบาปด้วยการทำบุญได้แต่เพียงแต่เราต้านมันได้เหมือนสมัยนี้มีมีโรคเอดใช่ไหมที่รักษาไม่หาย แต่มียาต้านโรคเอดได้ขอให้กินยาไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันขอให้ทำบุญให้มากกว่าบาไปไว้รับรองได้ว่าไม่ไปอาบายไปสวรรค์ทุกครั้งที่ตายไปแต่ถ้าเวลาไหนบาปมากกว่าบุญเวลานั้นบาปก็จะดึงไปอาบายคำถามจากคุณเปรมคะ่ะการสวดมนต์บทสวดมหาจาักรพัทําให้รวยจริงไหมคะก็ตอบไปแล้วข้อที่หนึ่ง ว่ารวยบุญเงี้ยเศรษฐีบุญความสุขที่ได้จากการสวดนี่มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการเป็นเศรษฐีฮะเป็นเศรษฐีแล้วใจร้อนใจวิตกกังวลทรัพยบแล้วซัพย์ไว้ที่ไหนจะเก็บไว้ที่ไหนดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงนี่วุ่นวายไปหมดนะแต่การความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีความวุ่นวายใจเลยเย็นสบายนั้นดีกว่าดีกว่า ได้วความสุขจากการได้เงินร้อยล้านพันล้านคำถามต่อนะคะจากคุณเปรมเวลาพระให้พรเราจะได้บุญมากไหมคะบทยถาหรือสัพีจะได้บุญจริงๆไหมเจ้าคะไม่ได้เลยมันเป็นการบอกเท่านั้นเองบอกกล่าวเล่าให้ฟังบุญเกิดจากการกระทาของเราไม่ใช่เกิดจากการสวดของคนนั้นคนนี้ การสวดของพระเป็นการสอนแตสมัยนี้เราไม่ทันสมัยควรจะเปลี่ยนภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยน่าจะดีกว่าเวลาญาติโยมฟังจะได้รู้ว่าพระกําลังสวดอะไรก็ <c oughs> คือเป็นการบอกเล่าให้ฟังของประโยชน์ที่เราได้รับจากการทําบุญแต่เราไม่ได้บุญจากการสวดของพระถึงบอกว่าไม่จําเป็นยจะต้องมีพระมาสวดมี มีที่กวดน้ำอะไรขอให้มีบุญอย่างเดียวก็ได้บุญแล้วเนี้บุญก็ต้องเกิดจากการทาบุญในาศาสนาก็มีหลายระดับระดับทานก็มีระดับศีลก็มีระดับภาวนาก็มีเหล่านี้เป็นบุญดังนั้นเป็นความสุขใจเป็นความสบายใจ จากคุณอูคค่ะาคำถามอธิบายรบกวนพระอาจารย์อธิบายการใช้สติปัฏฐานสี่จิตไม่เที่ยงทำไม่เที่ยงด้วยโชยค่ะอ๋อในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสติก่อนเต้องควบคุมใจให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตไปอนาคตก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นเครื่องผูกใจเป็นเครื่องสร้างสติกรรมฐานที่เรารู้จักกันดีก็คือพุโทโธนี่เอง พุทธานุสติเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปลืยดึงมันมาให้อยู่กับพุโทโธเพื่อมันจะได้ว่างจะได้เย็ น, จ ะ, นจะได้สบายแล้วพอมันมีกําลังก็จะทําให้จิตเข้าสมาธิได้พอจิตเข้าสมาธิก็จะเริ่มเห็นความจริงต่างๆที่เราไม่เห็นความจริงของโลกทิพย์ ความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดความจริงของการไปเกิดในภพนั้นภพนี้จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนาแล้วก็จะทำให้เราสามารถ uh, กำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราต่อไปเราก็จะไม่มีพิษไม่มีภัยในใจเรามีแต่ประโยชน์สุขเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณสาธิมาค่ะเวลานั่งสมาธิจะมีขาชาขาจะชาตอนพับเพียบตลอดเลยทํำยังไงต่อดีเจ้าคะก็ปล่อยมันไงไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรถ้าก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันไม่เป็นอันตรายเอ ขาชาขาเจ็บไ ม, ไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวพอเราเลิกนั่งมันก็หายช่วงที่นั่งมาอาจจะเป็นบางพักบางช่วงถ้าใจเราไม่ไปสนใจมันก็จะไม่ไม่รุนแรงถ้าเราไปสนใจเรากลับไปทำให้มันรุนแรงขึ้นมาเพราะนั้นเวลานั่งอย่าไปสนใจให้อยู่สนใจกับพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวอาการเจ็บอาการชาต่างๆมันจะหายของมันไปเองคาถามจาก คุณเปรมค่ะถ้านั่งสมาธิเลยไม่มีการสวดมนต์ก่อนจะได้ไหมเช้คะได้ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งได้ก็ไม่ต้องสวดที่เขาสวดกันเพราะว่ายัางนั่งไม่ได้พอนั่งแล้วจิตมันฟุ้งมันคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากเกินไปก็เอามาสวดกันมาลดความฟุ้งก่อนพอมันเริ่มไม่พอมันเริ่มหยุดฟุ้งมันไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็นั่งสมาธิต่อได้ การสวดก็สวดแบบนั่งสมาธิได้ไม่ต้องนั่งพับเพียร์ปนมมือก็ได้นั่งขัดสมาดหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจได้เลยเพอสวดไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดก็ดูลมต่อพุดโทต่อไปได้เลยคําถามจากคุณพิมพ์พนัทค่ะการสวดมนธมตธรรมวัดเย็นที่ถูกต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะจะทำด้วยสติถูกต้องถ้าทําไม่มีสติก็ไม่ถูก ทำสวดไปคิดไปอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการสวดนี้เพื่อหยุดความคิดถ้าสวดแล้วไม่หยุดความคิดสวดไปคิดไปนี่ก็อย่าไปสวดให้เสียเวลาเห็นเวลาทําวัดต้องดูว่าเรากําลังสวดเรากําลังอยู่กับการสวดหรือว่าเรากําลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แข่งกับการที่เราสวดอยู่ถ้าแข่งกันก็ถือว่าไม่ไม่ถูกไม่เป็นประโยชน์ ต้องให้อยู่กับการสวดอย่างเดียวจะสวดบทไหนก็ได้ไม่จไม่สำคัญถ้าเขามีสตรให้เราสวดเราก็สวดตามสเข้าไปถ้าไม่มีสวดไม่มีสวแเราก็เลือกบทที่เราอยากจะสวดสวดกันหลายๆรอบก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องสวดรอบรอบเดียวการสวดเหมือนกับการกินยาการกินยาเรากินเพื่อให้ร่างกายมันหายจากไข้จาก โครคภัยไข้เจ็บการสวดก็เพื่อให้ใจเราหายจากความวุ่นวายถ้ามันยังไม่ยังไม่หายก็สวดมันไปเรื่อยๆสวดมันไปจนกว่ามันจะหายล้วถึงค่อยหยุดสวดคำถามจากคุณวีรยุทธ์ค่ะการบรรลุธรรมขั้นโสดาบันจำเป็นที่จะต้องได้สมาธิขั้นอัปปนาสมาธิก่อนด้วยหรือไม่ขอรับทุกระดับภาระยบุคคลเป็นระดับปัญญา การที่จะบรรลุในระดับปัญญาได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนสมาธิอีกทีต้องมีทานเป็นผู้สนับสนุนศีลเหมือนสร้างบ้านเนี่ยต้องมีรากฐานไว้สำหรับรับเสาเสาก็จะรับน้ำหนักของพื้นของหลังคาของอะไรได้ทุกอย่างมันมีการมีขั้นมีตอนของมันฉั้นเราต้องพยายามทาใจให ใจบุญสุนทานอย่าตนิีอย่าโลกเนี่ยการทำบุญทำทานเพื่อตัดความตนิีตัดความโลกอยากได้เงินทองแล้วเราจะได้รักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลได้เราก็จะมีเวลามาภาวนานั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิใจสงบก็จะมองเห็นอะไรต่างๆที่มองไม่เห็นได้คำถามจากคุณอ๋อสุธิชัยค่ะ สวรรค์ในคนไทยกับสวรรค์ชาวฝรั่งมีลักษณะต่างกันหรือเหมือนกันมากไหมครับสวรรค์ของพุทธศาสนานี้เป็นสวรรค์สากลของทุกของคนทุกคนที่มีดวงวิญญาณนี้ไม่ว่าจะเป็นแขกเป็นฝรั่งหรือเป็นอะไรนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกันหมดแต่สวรรค์ที่เขา พูยกันเล่ากันตามภาษาของเขานี้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของสวรรค์ของศาสนาพุทธก็ได้ฉะนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าที่จะไปรับรองคําสอนของศาสนาอื่นได้แต่รู้ว่าคําสอนของศาสนาพุทธนีครอปงําทุกสัตว์ทุกบุคคลที่มักเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี่คําถามจากคุณปณลักษณ์ค่ะ เมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าให้ทำบุญเยอะๆหมายถึงว่าให้ทำบ่อยๆครั้งหรือว่าให้ทำเป็นเงินเยอะๆเจ้าคะอย่างเช่นถ้าเรามีเงินร้อยบาทเราทำสิบบาทอย่างนี้ได้หรือเปล่าเจ้าคะแต่ทำบ่อยๆนะเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราคือให้เราทำเท่าที่เราทำได้ยาว เ, เงินทองไปซื้อยาเสพติดซื้อบุญดีกว่าซื้อยาเสพติดซื้อไงซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อรายการท่องเที่ยวต่างๆนี่เรียกว่าซื้อยาเสพติดซื้อเอาเงินไปซื้ออาหารคือบุญดีกว่าหมายความหมายอยู่นี้ถ้าสมมติวันนี้อยากจะเอาเงินไปเที่ยวงี้เอาเงินไปทำบุญดีกว่าวันนี้อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นจะต้องซื้อเอาไปทำบุญดีกว่าคำถามจากคุณชัยพลค่ะภาพนิมิตกับมโนมยัตมยิทธิมันคืออะไรครับ เป็นความฝันหรือเปล่าครับผมนั่งสมาธิมาตลอดแต่ไม่เคยเห็นภาพนิมิตอะไรเลยรู้แต่ว่าตัวเองฟุง้งหรือบางครั้งก็สงบเท่านั้นครับออคนจะเห็นนิมิตได้จริงๆนี่จิตต้องสงบเข้าสู่สมาธิได้ส่วนใหญ่ก็เป็นนิมิตปรุงแต่งความนึกคิดมากกว่าอยังไม่ต้องกังวลถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทพโธพวกนิมิตภาพปรุงแต่งอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้น คำถามจากคุณเปรมค่ะอานิสงของการถวายผ้าคลุมองค์พระได้อานิสงอย่างไรบ้างเจ้าคะพระจะได้มีเสื้อผ้าใสมั้งเหมือนท่านนอนจอนอย่างก็เลยต้องหาหาเสื้อผ้าไมา้พระท่านใส่บ้งเราก็ได้เราก็ได้บุญจากการทำทานเหมือนกันเราเอาเสื้อผ้าไปให้ขอทานอย่างเงี้ยก็ได้สมเคาะให้เขารรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ก็เรียกว่าเป็นอนิสง์ของฐานเป็นบุญที่จะส่งให้เราขึ้นไปเป็นเทวดาได้การจะไปเป็นเทวดาได้นอกจากไม่ทำบาปแล้วเรายังต้องทำบุญถ้าไม่ทำบาปแต่ไม่ทำบุญก็จะเป็นได้แค่มนุษย์ถ้าอยากจะสูงกว่ามนุษย์ก็ต้องทำบุญด้วยไม่ทำบาปด้วยคำถามจากคุณเพรมอีกเหมือนกันค่ะนั่งสมาธิคนนั่งนานเท่าไหร่ถึงจะดีเจ้าคะคนนั่งวันละกี่ครั้งเจ้าคะ ก็เหมือนว่าถ้าธนาคารเขาเปิดให้คุณไปเบิกเงินไปเก็บไปหยิบเงินในธนาคารได้คุณจะไปวันละกี่ครั้งอันนี้ก็เหมือนกันงานนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับเปิดธนาคารบุญบุญนี้มีคุณค่าราคากับเงินทองที่เราได้จากธนาคารคุยจะเอากี่ครั้งก็แล้วแต่คุณนะทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ผมเรียนจบปริญญาตรีสาขาหนึ่งด้านสุขภาพทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพที่ตนจบมาระยะหนึ่งมีอุปสรรคในการทำงานแต่มีอีกงานหนึ่งเปิดโอกาสให้ไปทำงานด้านจัดการและธุรการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ลักษณะงานเดิมด้านสุขภาพผมก็รักแต่ก็มีอุปสรรคและปัญหาส่วนงานใหม่เปิดโอกาสให้ตัวเองทำงานได้เต็มที่เป็นลักษณะคนละแบบ น้อมกราบเรียนถามอาจารย์ว่าผมควรจะเลือกงานแบบไหนดีครับคืองานที่เรายังไม่ทำเรายังไม่รู้หรอกว่ามันดีเรือยากกว่างานที่เราทำอยู่ยังก็ต้องถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคเอาก็แล้วกันถ้าถ้าอยู่กับสิ่งที่เรารู้หรืออยากจะไปเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่รู้ก็แล้วแต่เราจะเลือกอันนี้ต้องไปพิสูจน์ดูถึงจะรู้ เวลาไม่ได้พิสูจน์ใจเรามักจะหลอกเราว่าที่นั่นดีกว่าที่นี่พอไปถึงที่นั่นแล้ว <c oughs> เออโน่นอย่างนี้กูไม่มาดีกว่าง <c oughs> <c oughs> ั้นก็ต้องพยายามทําใจอย่าไปโลภมากดีกว่าพยายามทําใจสู้กับปัญหาต่างๆดีกว่าเพราะเราไม่สู้กับปัญหาเดี๋ยวเราไปข้างหน้าเจอปัญหาเราก็จะหนีเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไปเจอคนที่ไม่ศรัทธา ไปอยู่ไปอยู่หมู่บ้านที่ไม่มีคนศรัทธาพานนทวบอกอย่าอยู่เลยอยู่ที่นี่แล้วเขามีแต่จะอะไม่ศรัทธามีแต่จะคอยทําร้ายเราพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอหนีไปเดี๋ยวเธอไปเจอข้างหน้าอีกเธอก็ต้องหนีไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นเราไม่หนีเรามาทําคุณทําประโยชน์ให้กับเขาเราก็ต้องอดทนเข้มแข็ง เ, เดี๋ยวเราก็จะชนะคําถามจากคุณแปรมค่ะ อา น, นิสงค์ของการถวายดอกไม้ทูบเทียนแด่พระพุทธรูปมีอา น, นิสงค์อย่างไรคะก็เป็นเรียกว่าอามิ ส, บ, มสบูชาอามิสบูชานี้เป็นการแสดงความคารพความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็เป็นบุญแบบหนึ่งในบุญทั้งสิบประการที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเป็นการลดละมานะทิฏฐิการถือดีถือตน อวดเก่งอะไรอวดรู้จะได้เป็นคนเรียนรู้ได้คนสั่งสอนเราได้ถ้าเราถือว่าเราเก่งกับพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มากราบพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราอยากจะรับคําสั่งคําสอนเราก็ต้องมาแสดงความคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองคําถามจากคุณสุประชัยคะ่ะสติอยู่ในดวงจิตเหมือนกับน้ำขันไหมครับ จิตก็เป็นเหมือนกับก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตที่เป็นฝ่ายดีสติจะคอยดึงจิตดึงใจให้สงบถ้าไม่มีสติมีสังขารความคิดปรุงแต่งมันก็จะทำให้จิตใจฟุง้งซ่านงั้นเปรียบเทียบสติก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ส่วนสังขารความคิดปรุงแต่งก็เป็นเหมือนคันเร่งของรถยนต์ ถ้าเราเหยียบแต่คันเร่งรถมันก็จะพุ่งไปอย่างเดียวจะวิ่งไปอย่างเดียวถ้าเราเหยียบเบรครถมันก็จะจอดออนะงั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรบางทีเราต้องใช้ทั้งสองอย่างสลับกันบางทีก็ต้องใช้ความคิดก็คิดไปพอคิดกันพอถึงเวลาจะต้องหยุดคิดก็ต้องใช้สติหยุดเหมันน <c oughs> หมดเลยยังคำถามสุดท้ายคะ่ะาอาจารย์จากคุณดอกไม้สีม่วงคะ่ะการดูดวง มีจริงไหมเจ้าคะคือดวงในศาสนาพุทธก็คือบุญกรรมนี่หลายช่วงดวงดวงดาวนี้มันก็มีแต่มันไม่มีมันไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราดวงดาวเขาก็อยู่ของเขาไปตามเรื่องของเขาท mm hmm. ี่เราไปไปผูกเขาไว้กับดวงนั้นดวงนี้เองคําที่พระพุทธเจ้าบอกให้ผูกไว้ว่ากับบุญกับบาปเราจะดีจะชั่วอยู่ที่การทําบุญหรือทำบาปของเรา